การจะพิจิตรตํิทานันตะสิทธิตํิทคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดที่ตัวเองพอปกตินําคิดอยู่แล้วทําให้มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวกาลธรรมจัดได้ชอบแล้วนิยัยในธรรมนํากันให้คนกับทุกได้โดยลําดับอืมบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่นี้เท่าเวลานี้หรือทุกวันทุกคืนสวกาลโตตาสโมเนี่ยก็ทําอนุสสัทตรปท่องแล้ววิกาดดีแล้ว ท่านที่จะโค้ชปฏิบัติจะคุณเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้เนี่ยเป็นอกาลิโกทําไม่อยู่ตะลกกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตะลกกาลโอบานะอยู่โกนี้ปฏิโกโอบานะอยู่โกเองเป็นที่ที่ท้าทายภายในตนถ้าจะทําเฉพาะอย่างนี้ 2 อย่าง ประกาศภาสารมณ์ด้วยเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกขกตมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยขาชลาปิยขามานันปิยขานี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โสกะไปเยอะกันน่ะนั่นเป็นทางใจนั่นแหละโสกะหมายถึงใจโสกะบริเวณคุณมนัสไปแค่ปิยขาอเปยงเสมอคนพวกนี้เกี่ยวกับทางใจนี่ทุกข์ ร่างกายทุกข์ทั้งใจแสดงให้เห็นลักษณะธรรมอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิธิโกก็ที่ว่าเอ็งเออเองที่ประจักษ์ขอท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอ็งท่านสว่างมาท่านจะเห็นตรงตรงดูดูตรงที่นี่ขอแสดงธรรมขอแสดงอยู่ที่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไร แต่คำ 2 อย่างเนี่ยเด่นดูเวลานี้อ่าสติปัฏฐานของเรายังยังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นเรียกว่าสักขารกะปฏะปะการเนี่ยนี่คือที่หนังกรรมทั้งเฮาทั้งหาอยู่นะแน่อันที่ซ้อนเข้าไปด้วยกรรมอิลลัลมันตะนั้นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมทั้งเฮาทั้งหาวิภวทั้งหาแน่ ว่านั่นก็อย่างนี้จิตนี่ที่ประสัตถธรรมไม่ขึ้นเอหิตรงดูที่นี่คือเอหินอกแต่เข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิริยาคนก็เอหิตรงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของการแก้ไขทางจิตที่ตรงย่างเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบ่สร้างขึ้นเรื่องมาก็ปฏิปทา ยังสร้างอย่าถอยเราเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกไปหานี้บานึงถ้าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกตมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายนี้เฮยหัวมันเป็นงอยกหัวมันขึ้นก็ก็ทุกข์ในอย่างนี้เรียกบังคับทุกข์ธาตุท่านนั้นน่ะไม่มีใครหนีหรอทุกข์ไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครหนีอกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกข์ธรรมดาของภาคของขันธ์ถ้ามันมีกิเลสเข้าไปแทรกก็ก็ทํานองแต่ส่วนมากเพราะ เกิดที่การทํามาในทางฐานคนละตัวหนึ่งเจตสิกเข้าไปแทรกทันทีที่เกิดความเสียใจมันอย่าให้เป็นเกิดความโกรธกังวลทั้งหลายนี่นี่เลยในโลกทางใจแทรกเข้าไปแล้วไม่เป็นงั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกมันมีใครที่เป็นหนอนทุกข์อยู่กันได้มีฐานหน้าของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยทําใจให้เด็ดได้ผ่อนแอ เพราะฉะนั้นเราจะพูดอ่อนแต่ทำก็มีบทบาทที่สอนคนอ่อนได้ปฏิบัติที่จริงให้จํากําหนดลมก็เอาจริงเอาตังกับลมอย่าไปคิดค่ากินหมายกับผลอันใดที่เกิดจะเกิดขึ้นอีกทีใดลักษณะใดอย่าไปค่าเป็นการทําลายเหตุที่กําลังทําทําลายงานของคนที่กําลังทําให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นน่ะการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้น คือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้ด้วยสติเช่นกำหนดอานาปานสติเพื่อความสงบเกินอันเกินคล้นก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นหดไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตนั้นส่งออกไปนอกมันก็เทไปหลายนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นครับจดจับจดเอาอะไรจริงๆต่างๆทั้งเรื่องที่มันจริง ตามเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดมีเรื่องดีใจเสียศาลามันติดอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั้นแค่มีเวลาปล่อยวางมันจึงมันต่างถ้ากับเรื่องของทุกข์เรื่องที่แต่เรื่องธรรมนั้นไม่จึงจะต่างเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่ท้ายจิตใจจึงต่างพอเห็นผลแล้วมันน่ะเกิดความปรินใจขึ้นมาตามผลที่ปรากฏมากน้อยนี่สําคัญ มีนากำหนดให้สงบตั้งค่าเอาให้สงบมาสงบหรือไม่สงบเอาพ้นพ้นก็บังคับให้สติตั้งสติติดตามจะดูอันไหนดูเนี่ยให้รู้ให้จ่อมันไปโดยลําดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับเพื่อสติไม่งั้นไม่ได้ให้สติค่อยจะเสเร็จเท่าไหร่ถ้าทํานั่นล่ะหวังเอาความถูกอยู่เรื่อยๆด้วยการต่อใจนั่นน่ะคือการต่อให้เกิดขึ้นมาพุ่มเจ้าของ ทุกโดยการบำเพ็ญบรรจาปัจจังต้นชื่อว่าทํางานแท้ชื่อว่าฝึกกรรมังจิตวิปัสสนาฝึกกรรมังอิเล็กที่มีประกิจแท้ต้องทําอย่างนั้นให้เป็นให้จําผมอยากจะยินหมู่เพื่อนไม่รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพระเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลทางต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะเราต้องการเห็นจริงๆ <c oughs> แล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด่นไปดอมจากไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นพูดด้วยความอาฆาตทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าหาว่าผิดจะรู้ได้ยังไงเนี่ยอันแน่เนี่ยเสียว่ามันถูกผลจากกรรมมันอย่างนี้แล้วก็นํานั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญาท่านจะได้มีพลฐานจริงๆทําไม่ได้เห็นความจริง ถึงแม้สงบลงไปแค่ไหนก็ไม่รู้เป็นผลอย่างนั้นมีความสงบเยือกเย็นงามการที่จะพิจารณาฐานะสัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะมาสู่ความสงบตรงนี้ภาวะคุณหมู่ทั้งทั้งสิ่งใดๆนั้นควรนะในการที่จะพิจารณาทั้งธรรมทั้งขันธ์ภายนอกภายในไม่ต้องกําหนัดก็เตนให้มีประมาณอยู่หลักข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความพลัน ในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรเอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะไปทั้งหมดดูที่ธาตุอุปนิสมหมดทุกข์ขึ้นทุกอันไปไหนไม่ให้จิตมันปล่อยตัวนั้นไม่ให้จิตมันวางไม่ให้จิตมันเถลไถลจากรูปภาคนั้นโดนทุกข์ระยะระยะระยะถ้ามีแต่คําพูดกับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราปะ ตั้งขึ้นมานั้นถ้าเกิดด้วยเวลานั้นคือสติมีข้อไว้ให้มี 3 เข้าไปให้มี 1 คือความรู้นี้ซึ่งทําไปด้วยสติ 2 ภาวะที่ปรากฏดูให้ชัดเจนขึ้นไปเวลาพิจารณาภายในมันดับเผินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั้นเหมือนไม่มีเผินอ่ะปุ๊บทางเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกเอายนต์เข้ามาภายนานย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณา เป็นหมดพวกเนี่ยตัวงงเติมซ้ําตํารวจด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นทะเก็ดเราจะไปฆ่าบหมายผลอย่างคํามันแล้วมันเสร็จไปอย่างนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้เสร็จไปนี้ไม่ถูกที่มาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะไปอย่างอยากให้เสร็จให้ขึ้นไปเฉยโดยความรู้ตัวของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้ความเสร็จผันขึ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้ มันก็ปล่อยให้ได้ต้องพิจารณาจริงมันทําสําคัญอัจฉันอัจฉันจริงๆยังไม่หยุดนึกว่าจะทําอะไรเห็นกระทั่งความสงบเพียงถ้ามาแค่นั้นก็เป็นความผุดอยู่ที่เม็ดความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องทางรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นกามราคะ เออถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยอะๆๆเหลือๆไม่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันลุ่งมันเหงวุ่นวายอะไรกับเรื่องที่เรียกตกเพชรอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้พอสมควรจริงๆมันชะลวดเร็วเพียงแต่เสียงทั้งมันทักอะไรที่มันไปคิดแต่มันไม่หมายที่มันมันกระแดกในวัยวรรณมันอะไรที่คิดชอบคนถ้าคน มันรวดเร็วเป็นลักษณะละฮะมันจะแดงขึ้นนี่พี่อยากให้รู้นะเท่านั้นเราได้มาได้มันมากๆนี่อย่างนั้นแต่ทําไมทีนี้เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วประมาณมีกินรวดเร็วเหมือนกันแต่อันนี้แต่ก่อนไม่ยังเป็นความจริงมันก็เป็นเดี๋ยวเราไม่สนใจเฉยอันนี้พอเรามีสติมันถึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนกัน ในความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่อยอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีก็ติมันปรุงทั้งวันมันก็ไม่สำเร็จก็เจียนว่ามันปรุงมากปรุงน้อยถ้ามันปรุงทั้งวันแต่พอมันจะติดต่อนั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่นี่ก็ความคิดแค่นั้นน่ะกวนจิตแน่มันก็รู้แล้วนะมันกําหนดดูจริงๆมันไม่มีอะไรกวนจิตมีแต่ความปรุงไม่ค่อยจะกระเพื่อมออกมาเรื่อยๆสติฆ่าบูลย์นี่สติฆ่ายังเป็นลักณะสักกระเพื่อมออกมา เพราะเป็นลักษณะที่กําหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนหนุนกําหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปงั้นมีลักษณะอะไรใช่มั้ยเอานั่นเป็นเป้าหมายกําหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องเห็นโปรดของมันและเห็นเรื่องความตรงของจิตได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะมีกระเพื้องมันจะยักมานี้มันเป็นลักษณะหนุนหนุนออกมานี่ๆนี่คือเรามีแค่ติดูมันมันรู้ถึงตรงเรื่องอะไรก็ดูทางนี้แล้วตีละทั้งวันก็เป็นนี้ นี่น่ะทั้งเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทําให้เกิดความแต่แต่ภายในจิตแต่อย่างว่าเดิมก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนแล้วไม่มีมันติดพันอยู่ในขณะท่านมันไม่เลื้อบากไปแรงจริงๆเป็นทั้งแบบกันหลายมันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติคิดไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งทํามากก็แม่นยิ่งได้ บรรทัดบัญชาทั้งเนี่ยเข้าหนักเข้าหนักเข้าจริงๆมีความโหดเยี่ยงที่นี่เรื่องนี้ค่อยตามค่อยตามไปทีเราก็ยิ่งแน่นหนักลงตรงนี้เห็นมากตัวทํามันขังไปเถอะนะต้องสบายนั่งก็สบายสุขความคิดความตรงตรงได้แต่จริงๆมันคิดพรุงไปเรื่องนอกแล้วมาอย่างที่มันเคยไปแบบเคลื่อนไหลมันไม่ไป <ม. S 1> คิดมีความสงบ 6 ตัวได้และทั้งหมดเป็นมีรากฐานกันความสงบภายในตัวมีอรรถฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องนี้มันก็ดูได้ความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สมาธิอยู่ในนี้มีพลังเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนว่าละกันกับการทําความรู้ นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าที่สิ่งนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวฝึกฝนไปในในโอกาสตามโอกาสหรือเปลี่ยนเวลากันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทําหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่มีปัญญาจะตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับท่าทายเดียวไม่ต้องไปคิดประตุงอะไรมันก็หลับง่ายถ้าถ้าขันธ์มันมีการใดๆ แล้วตั้งธาตุให้คิดทั้งด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นมันก็สงบลงได้พอทั้งหมดมันราชเป็นกำลังแล้วตอนนั้นแต่เราจะพิจารณาทางหน้าปัญญาเอาแค่ในด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยที่เกี่ยวกับทํางานเป็นเม็ดเป็นหน่วยทําทําให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งนิพพานะเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีในขันธ์ในจิตนี้ อัปปินเอาตาไม่สนใจจะเบิ่งสมาธิมันจะไปไหนกับทางสมาธิเวลานี้เราทํางานอะทั้งตนึกตนหมายมันไม่ใช่หันติพิจารณาละพิจารณาเราจนเกิดความตึงทางอารมณ์จิตทําให้เข้าใจดีมันตึงนะตึงทางอารมณ์จิตแล้วไม่มันปล่อยวางได้จังซี่ไม่ปล่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปมาปัญญาขั้นแรกต้องพาผู้พาคนผัสว่าเหมือนเราพา เป็นงานที่ยังไม่เคยงานแม้แต่การสมาธิก็ต้องถูกบังคับบังจานั่นทําด้วยสติไม่งั้นมันเผลอสะเลอะไปพอจิตได้ผลของสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทําหน้าที่มันเองพอท่านปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาไปภาคค้นภาคพิจารณา ซึ่งความเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะก้าวเดินโดยตัวเองน่ะสิรู้จักว่าละตัวเองวนะสมาธิวนะปัญญาใครจะทําหน้าที่ทางด้านจะทําอธิญาณปัญญาเรื่องสมถะเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นนั้นไม่ให้ก้าวกลายกันนี้เรียกว่าทําถูกต้องการเสพปฏิบัติมันทําให้เลยเถิดกันเลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอน เช่นนักนอนไม่ได้ทั้งวันไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านการงานมีเวลาบังเอิญเลยเกิดขึ้นเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งเป็นอย่างนั้นเลยเกิดไอ้อันก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนให้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปทักทีนเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้อง จับลงตรงไหนอวัยวะนี่แหละอืมคือเรียกแทงเป็นหนังกับศีลถ้าจับตรงไหนก็ติดจอตรงนั้นอืมก็กำหนดหนังตัวนั้นเนี่ยก็ติดจอตรงหนังนั้นเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ําไปไหนเลื่อนน้อยไปไหนไม่กอดให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้ที่ตรงนั้นเผลอเดี๋ยวก็ค่อยลืมเนื้อนูนตัวลืมสัญญาคําทักคําหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏกี่เด่นทั้งสรรพสิ่ง <Billie S 2> เจ้าเข้าเข้าใจออกเข้าใจออกเข้าใจออกสวดถึงหมดในสนะพางร่างกายความเปิดผนังมากความเก็บความในทางปฏิบัติกินโภชกมันเป็นสุตัสก็ผิดเกิดความหิวหน้าและอาศัยก็เกิดความเตร็ดสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเลยน่ะเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะตกต่ําลงห้อยเหมือนเดิมพอเห็นพวกนี้แล้วเราอธิษฐานพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในขณะนั้นเราจึงจะคลังคลายลงไปด้วยอํานาจที่จะมาทางล่างสัญญา เนี่ยเวลากับหน้าที่หลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นต้นอย่าลงกําหนดใหม่อือเอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็แต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักตรงที่เก่านั้นน่ะซึ่งเรากําหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงตรงนั้นเลยแล้วจอดตรงนั้นอีกเหมือนกันอือแต่นั้นก็จะช่างวางให้เป็นงั้นวันนี้ไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้จะได้ข้าม อัตตาในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปความไปแทบมันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองหม่ำมีเราจะทราบแต่ธรรมชาติพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในสิ่งเดียวกันแห่งอายตนะจากความรู้ความเห็นต่างๆในทุกภพกาลนี้จะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นมันแต่รวมเนื้อเป็นปัจจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนที่เหตุได้ด้วยกัน แล้วถ้าให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปฆ่าใจห่าให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงขณะขณะที่ธรรมนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราจะเอาเอ่ออดีตสัญญาอื่นเข้ามาทับมากันอันนี้ให้เป็นประอย่างนั้นๆแล้วมันจะเลิกนะนะที่จะเอาความจริงอย่าไปงามความจริงนั้นปรากฏภังกิจอย่างไรดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบมันก็รู้อย่างห่มมันจะเลิกไม่ฆ่าก็ตามจะเอาความจริงจับไว้เสมอไม่กอด คุณถึงก็เข้าใจได้อยู่มันกินเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้าไม่ช้าให้มันเข้าใจจนที่พอใจมีการพิจารณามีบ้านปัญญาเพราะเข้าใจเรื่องปัญญาถึงค่อนข้างปัญญาแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญามันหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่ความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งมันทั้งศูนย์ยืนเดินนั่งนอนเล่นตะหลับเท่านั้นแต่ไหนมันจะหมุนตัวที่อยู่จริงน่ะล่ะที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ควรมันถูกมันมากตัวเอง ด้วยสมุทัยความคิดความกังวลกุ้งเพ้อเหิมในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีเดือนนานๆทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็เพ้อจะถอนนี่ด้วยความมักตัวด้วยด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพ้อถอนอ่ะเพ้อมรรคสติปัญญาทั้งหงึ้เตื้อที่นี่ที่ขาดน้อยไปขาดรองไปวันนั้นเล็กละน้อยเข้าไปทะเลเนี่ยตัวนั้นหลุดไปเลียดนี้หลุดไปรู้ได้ทั้งโดยปัญญาเพราะฉะนั้นน่ะที ถ้าพูดได้เต็มปากอ่ะกิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นนะถอนด้วยสติทั้งนั้นสมาธิจะเหยียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นกิเลสมันจะเหยียดเข้ามารวมตัวกิเลสตัวนั้นยังไม่ตายนะนะถ้ากิเลสดำๆได้ถีมต่างๆได้ด้วยสมาธิอย่างเหยียดได้ด้วยทั้งหลายมันพูดกันได้เถอะคือมันต้องหดตัวเข้าไปที่กิเลสดำๆต้องหดตัวเข้าไปเพราะว่ามันจะตายมันจะขาดตรงหินมันขาดด้วยปัญญาอืม มันปัญญาเห็นจริงนี่เหมือนกันเราได้ระมัดระวังพลังไม่ให้มันทําบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทําเองนะเค้าเรียกว่าฆาตที่เรียกประเภทที่มันดัดทําจะพาถึงถึงนั่นได้ด้วยปัญญาเรียกประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพิ่นที่มีสมาธิในฝั่งนี้อย่างผม มันมีอยู่แล้วแต่ก่อนเออระยะนั่งสมาธิไม่มีมันเป็นปัญญาทั้งหมดแต่เจ้าถึงว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกฝึกหัดสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่มันสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมันมีแต่เรื่องการกวนปัญญามันไม่หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงเพราะฉะนั้นเวลาจะฝึกมันต้องไปจับอย่าง ห้ามกันหยับยั้งอันต้นที่เดินทางมันก็หยุดไม่ค่อยออกจากความยับยั้งนี้ก็พล่มขึ้นงานนี้นี่มันก็จะทําฝ่ายมรรคเป็นอย่างนั้นเมื่อฝ่ายมรรคมีกําลังมากเพียงใดความดับทุกข์จะดับไปไม่เที่ยงดับที่เล่ก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองอืมทุกที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไป เพราะอํานาจของนักคือปัญญาสติปัญญาทุกข์ในขันธ์เป็นอยู่ประเภทนี้ทุกข์เพราะพี่เนี่ยมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็มีซึ่งมีเกี่ยวข้องกันทั้งจิตใจไม่เสียใจจิตใจไปกําเริบก็เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวุขราท่านจะเตือนท่านเตือนนี้ให้จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เที่ยวจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ทุกข์เป็นทุกข์เวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆ ทางอันต่างๆทั้งนี้ไม่เข้าไปมันมีความเชื่อมโยงวิคคหะเท่ากันพวกเราไม่ได้งั้นเจ็บที่ตรงไหนไอ้โรคสมุทัยก็เข้าแทรกให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี้ที่ไม่อยากให้เจ็บนี่หนาปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละทีนี้จึงการเสพกุศลภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ 2 ชั้นเพราะนี่นะ วินาทีนี้กุ๊กกะสันนะเนี่ยมันก็เข้าเป็นเอาตายนะมีอย่างสักอันเนี่ยอันเนี้ยสักที่เป็นของจริงมันจริงถ้าอะไรจริงๆปัญหาที่ค้างนายโอ้คําว่าที่ฟังน่ะฟังจริงอย่างนี้เหรออืมสมุทัยอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้จริงอย่างนี้เองน่ะมันชัดชัดนี่น่ะเรียกว่าธรรมที่เกิดที่ผมเองจากการปฏิบัตินี้ต่อ ถึงเป็นนํานักพุทธนี่มีการแสดงทางจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวยวงกับอะไรที่ใช่เกิดเป็นพวกเป็นธาตุมันบอกไปในจิตหมดนะฮะถึงเราจะนับพบนักธาตุของเราเรารู้ท่านเราได้มาได้กับทางเชื้อของจิตที่มันเคยต่อพบกับธาตุมามันบอกกันกระทับนี่คือเชื้อของภพเพราะมีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่นักประมาณเชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆไม่ทับน่ะนี่แหละเป็นช่วงวัดอดีต ความเกิดมากี่ภพกี่ชาตินิวัตรกับปิดที่มีมีเครืออันจะทําให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี้เมื่อถอนเครือนี้ออกได้หมดมันเหลือแต่ความตายที่บริสุทธิ์มันล้วนแล้วแต่เกิดที่ไหนนี่บอกแค่ๆว่าหาทางสรดไม่ได้จ้องมาเกิดไม่สึกต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวยุ่งกับอะไรทั้งหมดไม่สึกไม่สึกไม่ทําอะไรเป็นเอกเทศแล้วที่นี่พบในมาทางไหนน้อยน้อยนี้ ข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนมั้ยปัจจุบันนี้จะเวลาเกิดอืมปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้แล้วนะจะเอาความทั้งหมดมาจัดครั้งนี้มันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กําลังต่อมีเชื้ออยู่นั่นน่ะส่วนจากการเกิดคือจะเกิดภพละเอียดกว่าตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดมันมีอยู่นั่นแหละพอดับมันนี้ลงด้วยปัญญา <S S S 2> ยังเห็นครับแล้วมันก็ขาดตาบ้านกันไปอดีตที่เคยเป็นมาทีที่ผ่านมาเราเคยพบเราเคยเกิดกลายเป็นความเชื่อแน่ตามอดีตเพราะเชื่อนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกัดเนี่ยมาถึงปัจจุบันนั้นมาเป็นต้นๆของต้นอื่นรู้เท่าเป็นความเป็นประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันวิบัติ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกําเริบติดต่อไอ้เหี้ยใหญ่อะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านว่านักศาสดานิพพานพโวความเป็นจริงของเรามันไม่มีนักศาสดาครับในธรรมจักรกับพุทธะสิ่งอะไรที่ว่าการนี้เป็นธาตุทุกข์ถ้าเราดึงเนี่ยถ้ามันหยุดยกออกนี้มันลืมผมก็ธรรมจักรมันสวดได้ตลอดทุกวันนี้หมู่สวดได้ตลอดครับผม ตัวนั้นมันจะปองปัณณะนั้นมันก็เลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะมาชาติอืมพญามัจฉาติก็ขึ้นมานี่เป็นภาคิกาเลยมันอืมมาชาตินักกีตานี่นี่นะพอมันต่อไปนี้ความเป็นเอกนี่ไม่มีความเป็นเอกเกิดอีกไม่มี นะนั้นก็จะตามธรรมะไปอย่างการประพฤติก็ธรรมะกันเพื่อการถอดทอนที่ได้ทั้งหลายได้ขึ้นถึงระดับเพียงแค่นั้นนะที่ธรรมะมันได้อยู่จบแล้วข้างหลังนั้นอุญญานก็เสร็จจิตละก็เสร็จจิตบังเพรให้จิตยืนขึ้นไปก่อนนี้ก็เสร็จรักอีกเหลือประเภทใดก็เสร็จอืออย่างนี้ก็ราชจิตอะไรก็ตั้งเกิดขึ้นได้มีอย่างจิตที่ควร จะทําคิดในครั้งละในการทําถึงนี่ได้ทําเสร็จขึ้นแล้วนะนภลังนิสายติปชานติจะทําอย่างกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครบแล้วเนี่ยนี่ไม่ธรรมจักรพรสุที่ตรงนี้จริงๆๆนี่นะสติกาใจ ตัวพบกับท่านคืนแล้วเถิดให้พบกันท่านนั้นมีกันเพราะฉะนั้นการแยกมันตั้งแต่เข้าไปแยกเข้าไปแต่อะไรมันเกี่ยวข้องที่จะมาซึ่งมันเกี่ยวกับรูปกับองค์กับกิริยาอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนมาถึงขันธ์ตัวเองรูปประขันธ์นี่ก็ว่าเรารูปบ่เป็นเราเวทนาทุกข์ทุกข์อะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรางี้แยกอ่ะไม่เห็นทักทีว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรา โดนเนี่ยเห็นเป็นการกินแล้วหาเราไม่เจอมันมีแต่ความกินแต่ละส่วนส่วนเค้าไม่รู้ความหมายเค้าเลยเค้ามีความหมายของเค้าแต่เราไปให้เป้าหมายเค้าแล้วก็ไปหลงเค้าก็ไปติดขอความทุกข์หมายสัมหารเอาไปอุปทานไปหลงเค้าเลยพอพิจารณาเห็นต่างกันจริงแล้วอุปทานมันจะเป็นคนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวออกมาต่างอันต่างจริงเรื่องทั้งไปไม่ได้ทางจริงอวิชชาคือว่าเมื่อขันธ์ 5 ก็รู้ทั้งทั้งเลย มันก็รวมเข้าไปอีก 10 อันเดียวทั้งนั้นทีนี้เรารู้ภาวะนั้นเองนี่ก็หมดปัญหานี้ประการนั้นกระทำไว้ไม่มีที่ไม่มีนี้คืออะไรอือธรรมชาตินั้นก็ยืนหย่อนมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็เพื่อมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเลยถ้าปฏิมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ มันก็มีปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัตว์ตะธรรมมรรคนิพพานไม่น้องเอาไปจักปฏิบัติธรรมจะทําเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยไตรเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลยเพื่อมรรคนิพพานนักปฏิบัติธรรมมีสมาธิฐิเป็นต้นสมาธิเป็นวิสุทธินี่คือเครื่องมือบุคคล ทุกขุมภพอันนี้เอ่อเพื่อเดินไม่ให้สลบสบายนิโรธคือความดับคือสิ่งนี้ขาดไปครับพอทุกข์ขาดไปสิ่งเจตขาดไปเหมือนมาเจตอย่าที่ขาดไปเนี่ยมันนิโรธนี้เลยจากทุกขุมภพโยธมรรคนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นี่ทุกขุมภพไม่อยู่ที่ไหนนี่ไปฆ่านะคะน้องผู้นิพพานอย่าไปฆ่า เสี้ยนในลําบากทําให้เกิดความสงสัยเต็มเทศิ่งเสียผิดเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกหีอย่าหนีจากสัจธรรมทุกข์ไครู้ให้พิจารณาให้ถูกเป็นความจริงแท้ตัวนี้เก๋ยควรพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากตรงไหนมีเรามีของเราก็สําคัญนะโทษประทานคนบางคนไปทําเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของทุกข์เอ่อได้ไปก่อน